ในวัดของลงพ่อมีปัญหาสายใหญ่แต่ตามไม่เจอมันมีอยู่สามสายน้ำใช้ในวัดของเราบ่อปลาตเอ้น้ำปราปาสามสายสายต่ำสายสูงสายใหญ่แป้ว่าสองถังเปิดเชื่อมกันได้แต่ในสายใหญ่สองสายไม่รู้มันรั่วที่ไหนทีนี้เนี่ย พอจะเข้าเรื่องเข้าเรามาันปัญหาเรื่องน้ําตามมาหนูุณพ่อเลยบอกกับพระไป่วยช่วยกันดูนะพูดตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยรอบหนึ่งละเรื่องน้าน้ามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาหลัออาจจะสงสัยว่ามันต้นไม้ลบทับระบบวกตุนตัวตุนกัดในพื้นดินหรือว่าพวกในครัวหรือพวกไหน กุฏิต่างๆลืมปิดน้ําเวลาไปแล้วอาจจะลืมเปิดทิ้งน้ําทิ้งไว้น้ําเปิดมันอาจจะไหลจนถังน้ํามันแห้งเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะมันแห้งได้กําลังหาอยู่หายัางไม่เจอเนีย่ยเราบัดมันกว้างไปงั้นทำมีแต่ครอบครองเรามองไปซ้ายขวาก็เห็นแล้วอันนี้ วัดนั้งพันกว่าไร่เนี่ยกว่าจะหาเจอนะไม่ใช่ธรรมดาหมดน้ำเป็นถังเหมือนกันออวันนี้แนวความคิดของสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงปู่วัดโพธิสมพรพระอุดมญาณโมลีท่านให้ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสัมมเนนในละแวกของเราหลวงพ่อก็ได้บอกให้พระ โทรไปบอกตามวัดต่างๆแต่ปีนี้รู้สึกว่าพระในสายของเราเนี่ยในถิ่นของเราเนี่ยน้อยนะอย่างพระภูกกนก็มีอยู่พระอยู่ห้าหคองคบ้านเพิ่มก็ 5-6 อหคองคเหมือนกันมีแต่วัดของเรานะ่มีอยู่35ก่อนก็ลดจากปีที่แล้วเนี่ยองค์เหมือนกันพระปีนี้รู้สึกกระจัดรจายพระไม่ค่อยมากแต่หลวงพ่อก็ได้ให้พระในวัด ของเราเนี่ยโทรไปตามวัดต่างๆหนะ้าองค์ไหนมีสุขภาพอยากจะมาตรวจโรคนะีหลวงพ่อก็บอกให้บอกไปเหมือนกันนะสวนจะมาหรือไม่อันนั้นก็สุดแท้แต่ที่ท่านก อ, องไทยของเราถ้ามันสุขภาพดีอยู่แล้วจะมาตรวจทําไมนะถ้ า, าว่ามีความสงสยัยก็มาตรวจได้นะ้าทาังหน่วยแพทย์ทั้งอุดรทั้งขอนแก่นทนั้งหนองบัวลําพู แทั้งนายุงที่ไหนที่โรงพยาบาลอย่างหัวหน้านิดหนึงหัวหน้าโรงพยาบาลวัฒนาแล้วที่ไหนด้วยผมพอ ก, กัยังไม่ได้ชักไซายเลียงยังไม่ได้ถามในรายละเอียดว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้างที่มาร่วมกันรวมกลุ่มกันที่มาตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในคราวนี้ครั้งนี้ แต่เมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาหัวหน้านิดเนะกามาเอาเลือดของพระเอาไปตรวจรอบหนึ่งแล้วละ่ะแต่วันนี้ก็คงจะรู้ผลว่าเป็นยังไงจากนั้นก็คงจะได้รักษาดูตามอาการแต่แต่ว่าพี่น้องประชาชนคนวัดหลวงพ่อก็อยากจะฝาก กับคณะแพทย์ด้วยเหมือนกัน เ, เพราะคนวัดทางว่าคนวัดสุขภาพไม่ไดเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากลุงพ่อจะอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมลูกหลานเหล่านี้แหละเป็นเครื่องเกื้อกูนหนุนในเมื่อมาตรวจสุขภาพพระสงฆ์แล้วก็ อ, อยากจะให้ตรวจสุขภาพศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องด้วย อ, อ, อุปธัมประทักให้ตรวจตรวจพร้อมกัน วันั้นขอให้พวกเราเน้อคณะสัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานใครมีสุขภาพมีความสงสัยตรงไหนก็ได้ถามคณะแพทย์กลุ่มใหญ่ท่านก็จะได้ชี้นำชี้แนะว่าควรจะรักษาในขั้นตอนต่อไปอย่างไรไม่ใช่จะมีแต่วิความวิตกกังวลอยู่ในจิตในใจว่าข้าเป็นนั้นข้าเป็นนี้ทั้งที่มันไม่เป็นอะไรมากมายตัวเองก็วิตก แต่มาตรวจสุขภาพซ้ำหมอก็มาตรวจซ้ำผู้ชำนาญมาบอกมากล่าวก็จะรู้ได้แล้วก็เนี่ยหมออาจารย์หมอสุวัสดิ์จากโรงพยาบาล น, นองบัวลาพูโรงพยาบาลจังหวัดกับหมอหลวงพ่อจำเชิญหมอไก่หมออะไรฮนะโรงพยาบาลเอกรุน่น มาหาหลวงพ่อบ่วย อ, อ, อันนี้ก็เป็นหมอตามหมอพวกเราที่ใครเกี่ยวกับตามีปัญหาเกี่ยวกับตาก็มาท่านหมอตาก็มีคงจะมาครบทมีมลงมั่งข่าวนี่นะเพราะนั้นใครเกี่ยวกับอะไรที่จะมาตรวจสุขภาพก็มาเนอพี่น้องลูกหลานนานทีท้าว่า เป็นออมอลลสูมก็คือใครมลสูมมาครั้งเดียวปีนี้ก่อนเ่ตตั้งแต่รีเริ่มสร้างวัดของเรามาก่อนก็มีแต่หน่วยแพทย์มาในวันเกิดของหลวงพออ่อบางทีก็มาในงานกระถินของหลวงพออ่อที่จะแทรกมาอย่างนี้เนะี่ยหลวงพ่อยังไม่เคยมียังไม่เคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ว่าได้สร้างวัดมา30สกว่าปี คณะว่าเป็นน้ำใจของคณะแพทย์คณะคุณหมอคณะพยาบาลคณะกลุ่มทีทมทุกคนหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของเจ้าของพื้นที่เจ้าของหรือเจ้าอาวาสฮนะะก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาจากน้ำใจของพี่น้องคณะแพทย์ทุกๆ ท, ท่านนะก็พร้อมกันนะพวกเราที่เป็นเจ้าของถิ่นเจ้าของบ้านก็ช่วยๆกันเรื่องอาหารการบริโภค อย่าให้ขาดตกบกพร่องจุดนี้จะ ช, ช่วยกันดูพวกกูบาของเหมือนกันเป็นเจ้าของบ้านพวกน้ำพวกอะไรที่อะไรอย่าให้ลูกพ่อได้ย้ำได้เตือนปพราลงพ่อไม่แต่บอกแนะนำทันเองเอพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้เคยตอนรับขับสู้กันมาพอสมควรแล้วขาดเรือขาดตกอะไรก็เอาจะ ช, ช่วยกันคิด ช, ช่วยกันทำอพอท่านเข้ามาสู่บ้านของพวกเรา แล้วก็วันนี้ตอนบ่ายทราบจากหมวดดิดบอกว่าทางจังหวัดเขาโทรมาว่าพระองค์เจ้าสิริพาศุทาพรท่านอันจฉริยเดจมาภูกรือมาที่นี่หลวงพ่อก็ยังไม่มั่นใจแต่มาคราวก่อนมาที่นี่หลวงพ่อก็พาท่านขึ้นไปภูก้อแล้วก็ท่านมาแวะที่นี่แต่มาครั้งที่สองท่านมาเองท่านก็ขึ้นไปภูกรื้ อ, อแล้วท่านก็ มาแวะที่นี่แล้วก็สวยพระยาหารค่ําที่นี่แล้วครั้งที่สองอันนี้เสด็จมาเป็นครั้งที่สาที่ท่านมาตามลําพังแต่ส่วนคุณแม่ของท่านก็คือโปอง่งทุนกระหม่อมพระหญิงจุราพรอันนั้นท่านเสด็จมาพักแรมพักค้างที่วัดของเราเจดครั้งมั้งมากลับหนึ่งครั้งหนึ่ง มาครั้งที่แรกมากลับแต่นั้นท่านเฉลต์มาประทับที่วัดของเราแต่จากนั้นท่านก็ห่างผลมีภารกิจธุรกิจธุรกิจภารกิจมากแต่คราวนี้พระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรทุนกระหม่อมฟ้าหญิงมอบให้เป็นหัวหน้าเป็นประธานออกแบบเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตากับคณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีทั้งทั้งสถาปนิกกลุ่มสถาปนิกที่ออกแบบก็ชะงักไปช่วงหนึ่งคือความคิดเห็นไม่ตรงกันผู้หนึ่งว่าจะสร้างตรงที่ประทศทานเพลิงไดวางศิดลเลิกไว้แล้วแต่กลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็ย้ายแล้ละั น, นี้ย้ายออกไปข้างนอก เมื่อวานก็ทราบว่าทางกลุ่มทางสถาปนิกได้เอาอะไรรถเคนมาตั้งแล้วก็เอากับเช่ายกขึ้นไปขึ้นไปว่าว่าถ้าว่าเจดีย์สูงถึงห้าสิบเมตรเนี่ยจะมองเห็นได้ไกลขนาดไหนแล้วก็เจดีย์ ที่จะสร้างตรงที่พระราชทานเพลิงศติละนะ่ออกแบบมาแล้วจะสร้าง38เมตรเท่ามงคล38แต่มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสถานที่เพราะว่าตรงตรงนั้นตรงที่พระราชทานเพลิงอยู่ใกล้วัดเอาสักสาเมตรก็น่าจะเพียงพอแต่พอออกมามาขยับมาไกลมันจีเป็นที่กว้างขวางเวิง้งว้าง จะห่หากว่าเราจะไปทำ38า38เมตรเนี่ยคงจะเตี้ยเกินไปกระมังอันนี้ก็คือเป็นการจินตนาการหรือ ว, ว่าการคิดของสถาปนิกเป็นมุมมุมมองของสถาปนิกอันนี้เขาจะทำให้ดีที่สุดในความรู้สึกของเขาในแบบมาครั้งนี้เป็นมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่สามนะนท่านนั่งเครื่องมาจากนู่นนะมาจากหัวหินนะ ทําไมท่านไปขึ้นเครื่องยงคงพระ อ, องค์เจ้าสิริภาคงจะประทับอยู่ทางนน้นแล้วก็บริวานก็คงจะไปขึ้นเครื่องจากทางนน้นบินมาลงอุดรแล้วก็มาตั้งแต่วันที่3ามวันที่4วันก่อนก็เข้าไปกราบสมภารเจ้าวาดไปดูภูมิประเทศเพราะว่าวัดป่าบ้านตาดทั้งหมดทางภูวาราชการจังหวัด คณะทั้งหลายก็เตรียมพร้อมเหมือนกัน เ, เตรียมพร้อมอภาพถ่ายทางอากาศลงมาจากดาวเทียมนะลงมาแล้วก็จะจัดว่าที่วัดป่าบ้านตาดนะที่วัดเก่าที่กำแพงล้อมรอบนะตรงไหนที่ออกมาข้างนอกนะอย่างไรแล้วก็สายน้ำที่มาผ่าน กว้างแคบขนาดไหนอันนี้คล้ายๆกับว่าเขาจะรวมรวมแต่และแปลงให้เป็นแปลงเดียวกันให้เป็นแปลงเดียวกันให้เป็นฉนดแผ่นเดียวกันอันนี้ก็คือทางทางจังหวัดเขาเตรียมพร้อมจากนั้นเมื่อได้มาแล้วเขาทางคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยทางพระองค์เจ้านัก็ แล้วเข้าไปกราบสมภารจะเอาวาดคงจะตกลงเห็นพร้องต้องกันมั้งเมื่อวานกก็เลยออกมาสำรวจพื้นที่มาสำรวจพื้นที่เอาเคนเอาเคนรจากเมืองอุดรนแต่ตามไม่จริงท่านก็อยากจะสร้าง50เมตรนะล้วก็ถามว่าเคน30เมตรเอา3าเมตรใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ขึ้นไปดูดูว่า เจดียของโรงตานี่จะหันหน้ามาทางวัดเนี่ยจะหันหน้าไปทางไหนอะไรจะหันหน้ามาทางเมนหรือหันหน้าไปยังไงจากนั้นก็จะเริ่มมองดูพิพิธภัณฑ์จะอยู่ในมุมไหนคือพิพิธภัณฑ์กับพระเจดีย์จะขึ้นพร้อมกันเมื่อสร้างพระเจดีย์แล้วก็เขียนแบบพิพิธภัณฑ์ต่อไปเลยแต่ในความ แต่ค่าใช้จ่ายเน่จะเป็นเจดีจะราคาแพงกว่าเพราะมันเป็นหินหินก้อนหนาก้อนใหญ่แต่พิพิธภณัณฑ์เนี่ยมันเทคนิคเทคนิคคล้ายๆกับว่าประวัติของหลวงตาหลวงตาเกิดที่ไหนบวชอย่างไงไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอย่างไงมาอยู่วัดป่าวันตัดกี่ปียังไงมีสิทธิยาด้วยสิทธิ์สอนทันสอนธรรมะอย่างไร ท่านหาทองคำเข้าค้างหลวงยังไงท่านจุตินิพพา์อย่างไรอันนี้คือเป็นช่วงชีวิตของท่านแล้วก็เป็นห้องห้องห้องห้องเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ตัวที่เป็นพิพิธภัณฑ์แต่หนาอยากแต่อาคารไม่ยากในเมื่อคิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้แล้วก่สร้างอาคารคอมสร้างอาคารคอมตอนนั้นไม่ยากแต่ว่าถ้าเราจะไปทาสร้างอาคารก่อน แล้วยังค่อยมาเอาประวัติเขายัดเข้าไปนี่เหมือนกับเราตัดเสื้อเราตัดเสื้อไว้ก่อนออแล้วยังคนอ้วนผอมกับยังไม่รู้นี่ถ้าเป็นคนผอมกิดเต่งต่างเกินไปเสื้อมันใหญ่ฮชถ้าหากว่าคนตัวใหญ่ใช่หไหมเสื้อเล็กเนี่ยทำยังไงซัดยัดเข้าไปเกิคล้ายๆหมด ทำยังไงคนเสื้อใหญ่ตัวใหญ่ใส่เสื้อเล็กนี่แหละอันนี้คล้ายๆกับว่าต้องเห็นคนซะก่อนยังค่อยตัดเสื้อใส่ลักษณะอย่างนั้นแหะพิพิธภัณฑ์พอั้งก็ต้องได้ใช้เทคนิคในการออกแบบพอสมควรอันนี้หลวงพ่อก็ได้ได้ติดตามอยู่ไม่ได้ติดตามทีนะเพราะว่าสุดแท้แต่ทางวัดบ่าบันตาตั้งแต่สมภารตั้งแต่คณะสงฆ์ว่ายัางไงหลวงพ่อเอาอยังงน่ะ แต่หลวงพ่อมีแต่ให้แนวแนวความคิดกับสถาปนิกผู้ออกแบบทีแรกสถาปนิกผู้ออกแบบเขาก็บอกว่าจะต้องสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมกันผมหลวงพ่อก็ไปพบกับท่านผู้ใหญ่ผู้หนึ่งท่านบอกไม่น่าจะถูกนะท่านท่านเป็นน่าจะไปบอกกับสถาปนิกดู้ถ้าเรายังไม่เห็นคนเราจะไปตัดเสื้อก่อนได้อย่างไงอย่างเตือบบางที ช่องประวัติที่ท่านเกิดอาจจะเป็นช่องใหญ่ เ, เราก็ต้องทำเป็นห้องใหญ่ท่านห้องแสดงธรรมที่ท่านออกบทเอออันนั้นอาจจะเป็นห้องเล็กมันเป็นคนละช่องในช่องกับนาท่านตามไม่จริงก็น่าจะทำอย่างนั้นหลวงพ่อไปพูดให้สถาปนิกสถาปนิกยอมรับทันทีอืมใช่ตัวนี้เราไม่ได้คิดนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลายหัวดีกว่าหัวเดียวสรุปแล้ว นานาจิตต่างนานาทัศนะอย่าไปใช้ความสติปัญญาของตัวเองคนเดียวมองคนเดียวบางทีมองสั้นเกินไปแต่คนอื่นเขามองเขามองอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นามาเอามาผสมประสานกันก่อนผสมประสานกันแล้วมาวิเคราะห์กันแล้วก็เอาเหตุผลมาใครมีความนึกคิดที่เหนือกว่านั่นแหละก็ยอมรับกันได้อันนี้แหละคือสาธารณะ ถ้าทำอย่างงั้นได้ดีนะเราไปอยู่น่าจะฐานที่ใดจะไม่ทะเลาะกับใครนี่แต่ข้าวไปอยู่ที่ไหนดันทุลังข่าในเหนือกว่าใครฉลาดกว่าใครยอดเยี่ยมกว่าใครไม่ฟังคำใครนั่นแหละไปอยู่กับหมาก็ผิดกับหมาไปอยู่กับผีก็ผิดกับผีมาอยู่กับมนุษย์กับผิดกับมนุษย์อยู่กับใครไม่ได้ตัวเองเก่งคนเดียวผลในสุดก็วิ่งไปหาหมูอีกอย่างเก่านะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะโดยเฉพาะลูกศิษย์พระของหลวงพอ่ออย่าไปดันทุลังมีอะไรต้องมีเหตุมีผลต้องฟังผู้ใหญ่ผู้น้อยอคนโบราณเ็ายังบอกว่านขนาดจิ้งจกทักคนโบราณยังฟัง เ, เวลาจะเดินลงจากบ้า น, นจิ้งจกมันทักคนโบราณก็ยังให้ฟังเอ๊อะไรวะ อจะเกิดอะไรขึ้นวะทําทไมจิ้งจกเี่ยจึงทักเราเนี่ยวะเนี่ยนี่แหละอันนี้เหมือนกันอ่ะเราไปอยู่นัดสถานที่ใดเราต้องฟังผู้น้อยผู้ใหญ่มีเหตุมีผลไหมเว้นเสียแต่บ้าบ้าบองบองบอง บ, อง บ, อ, งบองบ้าบ้าเลยก็พูดไปเรื่อยไม่รู้จักจบอันนั้นก็เราก็อีกเอาถือว่าอีกอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันนั่นนะเถิดขอฝากไว้กับพวกเราเนอะแต่วันนี้น่ะบ่ายสองโมง ท่านก็คงจะเสด็จมาแต่ก็คงจะไม่เหมือนกับคุณแม่ของท่านหรอก็คงจะมีตำรวจทาหารมาเป็นมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มนั่นแหละแต่พวกเราในฐานะเจ้าภาพก็ช่วยๆกันคิดนะกูบาจัดยังหไนเสร็จแล้วทาความสะอาดปัดกวาดทาลงศาลาแต่พวกตรวจสุขภาพเราออดไปตรวจข้างนอกก็ช่วยๆกันดูอีกมั่นกันนะั่นแหละ ผูกผ้ากันพวกอะไร เ, เตียงพวกอะไรสุดแท้แต่คุณหมอท่านจะให้ใช้อะไรในวัดของเราก่อนมันก็พอที่จะหาได้ทุกอย่างอยู่ให้ช่วยช่วยกันคิดนะภู ก, กูบาทั้งไรพระเก่านะโดยมากโดยเฉพาะยิย่งพระเก่าช่วยกันคิดทั้งในครัวก็เหมือนกันหน้าที่ทุกคน จะลงพอเป็นเป็นหน้าที่เป็นภู้บอกเป็นผู้แนะเป็นผู้กล่าวท่านเองนะหลวงพ่อแก่แล้วไปหายุ่ง ม, มากเดี๋ยวก็จะหาวายุ่งยามออพาเห็นหลวงพ่อไปแต่กระเจิงนี้หลวงพ่อก็ไม่อยากจะไปใกลเหมือนกันนะเอาละพอในในตเนเนออนุโมทนาให้พอน